ถืว่ามีความสุขไหมสุขไม่ได้หรอกดูร่างกายเ้วเหมือนเป็นสุขนะแต่จิตใจเนี่ยถ้ายังฟุ้งซ่านซึมเศร้าอยู่แล้วก็ก็ไม่ถือว่ามีความสุขแต่ในทางตรงข้ามบางคนเนี่ยร่างกายสุดโซมร่างกายอ่อนแอมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมากเป็นผู้สูงอายุดูแล้วไม่น่าจะมีความสุขเลย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 แต่จิตใจเขาสามารถทำใจได้แล้วก็คิดมองโลกในแง่ดีเขาก็มีความสุขได้เหมือนกันอันนี้เรื่องร่างกายแล้วก็จิตใจแต่ในใรณะเดียวกันเนี่ยถ้าร่างกายเราดีด้วยจิตใจดีด้วยโอ้เนี่ยโชคดีเลยสุขทางกายสุขทางใจเลยใช่ปะ่ะอันนี้เรียกว่า <S <S เป็นคนมีบุญแล้วก็มีบุญอย่าง ท่านดูฟังเนี่ยก็ดูเถอะว่าใจเรามีความสุขไหมเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยนั่งผู้สูงอายุนั่งเนี่ยโอ้ใจยิ้มแยม้มแจ่มใสนะโอ้นี่ก็มีความสุข <c oughs> บางคนอายุน้อยๆแต่หน้าเครียดหน้านิว่วหัวคิ้วผูกโบย <c oughs> มองภายนอกก็ไม่มีความสุข <c oughs> มันขึ้นอยู่กับจิตใจนะขึ้นอยู่กับวิธีคิด <c oughs> วความสุข <c oughs> <c oughs> คืออะไรคือ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 มันก็มีความสุขนะได้ยินบ่อยๆ ย, ยิ่งดีดมกลิ่นหอมหอมอันนี้ก็เป็นความสุขทานอาหารรสชาติที่อร่อยอันนี้ก็คือความสุขได้สัมผัสนุนร่วนเสียวซ่าท่านั้น่างกายอันนี้ก็มีความสุขซึ่งสิ่งเหล่านี้ยเราสแสวงหากันอยู่แล้วเราสแสวงหากันอยู่แล้วแต่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 มันเริ่มจากรู้ติดตืดเนี่ยแล้วต่อไปเนี่ยมันจะเข้มข้นมีรสหวานชื่นออกชื่นใจสุขภาพจิต ด, ดีเป็นปกติคนรุ่นเนี้ยรุ่นวัยเดียวกับผมเนี่ยเคยกินอ้อยไหมอ้อยที่ก็เป็นลำยาวๆอะอ้อยเนี่ยมันจะมีสองด้านทางโคนกับทางปลายทางปลายจะจืดสนิด ตรงโคนเนี่ยหวานชื่นใจการที่เรามามีสติรู้สึกตัวเนี่ยเหมือนกินอ้อยทางปลายมาก่อนกินทางปลายเคี้ยวแล้วก็ขายทิง้งเคี้ยวแล้วขายทิง้งดูดน้ำหวานเขา้าไปจากจืดไปถึงตรงโค น, นโอ้มันจะหวานชื่นใจอันนี้คือการมีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยบ่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มมีรสชาติ แต่นั้นเดียวกันเนี่ยถ้าเราสแสวงหาความสุขวิ่งหาความสุขสิ่งภายนอกเหมือนกินอ้อยทางโคนไปหาทางปลายถูกไหมตอนแรกก็หวานชื่นใจต่อไปเนี่ยมันจืดชืดเผลอๆมันเป็นทุกข์ด้วยซ้ำไปก็จะบอกว่าอะไรรักสนุกจึงทุกข์ถนัด <c oughs> การมีครอบครัวคนในอยากออคนนอกอยากเข้าก็คือตรงนี้แหละคือกินอ้อยทางโคนเข้าไปแล้วและช่วยไม่ได้ไมันต้องถึงปลายแน่นอน ทังคนยิ่งกินยิ่งหวานยิ่งหวา น, ย, นยิ่งกินยิ่งกินนี่หวานแทะจะตั้งคนไปถึงปลายมันก็จือสนิทเหมือนกันนะ่ <Yeah. S 1> นั้นถ้าเรามีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยจิตจะเริ่มจากความเป็นปกติไม่มีอะไรมาปรุงแต่งต่อไปมันจะเท่าถึงความเบิกบานความสดชื่นซึ่งไม่ไม่มีใครรองเราก็ไม่มีทางได้รู้แล้ว mm hmm. ต้องรองดู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 ไม่ถูกขโมยเงินอย่างเดียวถูขโมยใจไปด้วยหนึ่งรบาทหาเมืออะไรก็ได้แต่ใจเป็นทุกข์มากไอ้เงินหนึ่งอยเนี่ยถูกขโมยใจ <c oughs> ให้เขาขอยืมเงินไป <c oughs> เขาไม่ยอมใช้คืนโอ้ไม่ได้ยืมเงินเราอย่างเดียวแล้วเป็นทุกข์มากมันยืมใจเราไปด้วย <c oughs> เป็นทุกข์แล้วนะเพราะฉะนั้นเงินไปเพียงแค่เครื่องอำนวยความสะดวกนะไม่ใช่เป็นเครื่องหมาอยขอยงความสุขความสุขอยู่ที่ใจ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 ถ้าจิตดีกายก็ปล่อยดีไปด้วยเมื่อจิตดีเนี่ยมองอะไรมันก็ดีนะมองพระจันทร์ก็สวยงามถ้าจิตไม่ดีนี่ยมองพระจันทร์มีหนวดนะโอ้ไม่สดชื่นมองโลกไม่สดใสเลยเพราะจิตไม่ดีและไปโทษโลกไม่ดีไม่ได้โทษสิ่งไว่ร้อนไม่ดีโทษคนนู้นโทษคนนี่กลายเป็นนักโทษลืมโทษใจตัวเองโอใจเราตัางหาที่ไม่ดีพราะใจไม่ดีแล้วอะไรก็ไม่ดีเหมือนอย่างบาดแผลเนี่ย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 ไม่สนุกไม่เป็นสูกกับการทำงานไม่เป็นสู่การใช้ชีวิตถ้ามีสติแล้วชีวิตมันมีชีวาไม่ท้อแทะประอุศักต่างๆและอย่างหนึ่งสำคัญก็คือว่าทำให้เรามีคุณธรรมมากขึ้นทำที่มีอุปการะมากคือสติสามัญชนยะอุปการะมากทำให้เราเป็นคนที่มีคุณธรรมอายชั่วกลัวบาป อายชั่วกลัวบาปมันจะไม่ยอมทําบาปทําความดีแล้วมีความสุขลดละเลิกอใบายามุข ค, คนมีสติเนี่ยอใบายามุขเลยเข้าไม่ถึงเลยนะเพราะอะไรอย่างเช่นว่าเราจะดื่มสุราการอยากดื่มสุราเนี่ยมันเกิดจากความคิดใช่ไหมคิดอยากก่อนคิดอยากแล้วก็ทําตามความอยากและผลออกมาเนี่ยมันก็ติด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 แล้วต้องรีบเลยนะต้องรีบบูต้องรีบว่าด้วยปเดี๋ยวมันจะหายซะก่อนแล้วผลเป็นไงโอ้เราไม่น่าเลยเราไม่น่าพูดไปเลยเราไม่น่าไปทําร้ายก็เลยแต่มันทําไปแล้วเห็นไ่มพราะขาดสติคอยยับยั้งชั่งใจความเบือ่อความเซ็งความกังวล น, นี่เจอจะขาดสติดังนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาสติรู้ทันเนี่ยมันตัดออกไปเลยจบไปเลยเห็นไ่มมีประโยชน์มากทำที่มีอุป ก, การะมากคือสติสมามัญญา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 ใครจะจับผมไปปีนเดี๋ยวเนี้ <K _ d ata> เขามีการดูหนังมีการฟังเพลงมีโรหนังเราไปไม่ได้ไปได้อย่างไรอาหารที่นั่นที่อร่อยก็ไปกินไม่ได้ทุกตายเลยเพราะว่าที่เราไปไม่ได้แต่เราสามารถทําใจเป็นสุขได้เป็นสุขได้โดยที่ไม่ต้องสแสวงหาใช่ไหมผมมีทางเลือกแล้วแต่ก่อนต้องเลือกไปจึงจะมีความสุขแต่ต่อมาไม่ต้องไปก็มีความสุขได้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 มองโลกอย่งไความเป็นจริงแล้วปล่อยวางซะแต่ไม่หนีไปไหนนะทําหน้าที่กับโลกโดยหน้าที่ทําหน้าที่แต่ไม่ใช่เรื่องเราที่เราไปเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่า น, นั้นสบายเลยอยู่อย่างสบายเลยเนี่ย <Yeah. S 1> วันนั้นความสุขความทุกข์อยู่ที่ใจเราจะอยู่ในสภาพใดก็ตามจะอายุมากจะเป็นคนที่มีโรคภัยไข่เจ็บรุนแรงไม่สําคัญ สามมาทิจัยเราเนี่ยเป็นอย่างไรเราจะเป็นคนยากจนไม่ร่ารวยก็ไม่สาคัญเป็นคนเก่งหรือไม่เก่งก็ไม่สาคัญไม่สาคัญสมหวังหรือผิดหวังไม่สำคัญสัมมาทิจเราใจเราเป็นอย่างไรถ้าใจเรายอมรับได้เข้าใจเราก็มีความสุขได้แต่ถ้าเราไม่ยอมรับ มีความอึดอัดกัดเคืองแล้วก็เป็นทุกข์ไม่เลิกอะ่ะเห็นไหมทงานประเภทไหนไม่สำคัญนะสำคัญที่ใจเราเนี่ยทำงานด้วยใจประเภทไหนทำแบบความพอใจแล้วก็มีความสุขถ้าทำแบบเบื่อหน่ายเซ็งแล้วก็มีความทุกข์มันอยู่ที่ใจเราต่างหากสำคัญที่ใจเพราะนั้นชีวิตเราที่ผ่านมาจากทุกวันเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมีทั้งความสมหวังแล้วก็มีทั้งความผิดหวัง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 พอจะขยายความเพิ่มเติมให้ชัดเจนอีกสักนิดได้ไหมคะเนี่ยคำถามนี้แ่ดงว่าไม่รู้สึกตัวหรอกนะ <c oughs> อนดีตถานแต่ว่าไม่รู้สึกตัวนะถ้ารู้ตัวแล้วไม่ต้องถามมันได้คำตอบคาว่ารู้สึกตัวเนี่ยเป็นคำเดียวคําว่าการมีสติถ้าเรารู้ว่าเรากำลังนั่งอันนี้กือรู้สึกตัวแต่เชื่อไหมว่าคนทั่วไปส่วนมากเนี่ยไม่รู้ว่าเรากาลังนั่งไม่รู้ว่าเรากาลังทาอะไร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 มันต้องฆ่าตัวอยากจะฆ่าตัวตายน่าจะมันไได้จบมันเกิดความท้อแท้ผิดหวังไม่มีใครสมหวังได้ฆ่าตัวตายวความท้อแท้ผิดหวังเนี่ยมันเกิดจากความคิดใช่ไหมพราะมันคิดอยากฆ่าตัวตายปั๊บเราก็ลุกลื่นสติเราอาจจะไม่ฆ่าในในคิดครั้งแรกและต่อมาคิดบ่อยๆเนี่ยมันพาเราไปฆ่าตัวตายได้จริงๆนะ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 ถ้าไม่สติรู้ทันว่าอ๋อนี่เราไม่พอใจเลยทุกแล้วมันจบตรงนั้นไม่ต้องไปคิดต่อว่าโอ๊ะควรจะฆ่าตัวตายเพื่อแก้ปัญหาความทุกข์อย่างเงี้ยสู้แมวไม่ได้ไม่ก็เห็นแมวผูคอตายเลยแมวไม่ดีกว่าคนนะแต่คนนี่มันคิดมากคิดจะต้องเอาตัวไม่รอดถ้าไม่สติรู้ทันในความคิดนั้นความคิดถูกฆ่าไปแล้วความคิดฆ่าตัวตายถูกฆ่าไปแล้วจบเลยไม่ต้องไปฆ่าตัว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 การละลายพฤติกรรมจิตนี่ไม่ต้อง ใ, ใครมาละลายให้ละลายเองเห็นมจิตไม่ใช่มันฟุ้งตลอดไปหรอกบางทีจิตมันก็ดีถ้าเราไม่พร้อมลองไปทางานที่เราชอบสิทำงานที่เราชอบอย่างคุณผู้หญิงก็ชอบจัดบ้านจัดที่จัดทางย้ายโต๊ะนี้ไปโต๊ะนั้นทำเองอย่าไปใช้ลูกน้องนะต้องทำเองใช้ลูกน้องเดี๋ยวจะเกลียดทาเองเลย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 เห็นผ้าเหลืองสติก็เกิดอย่างเมื่อกี้นี้นั่งไมค่อยสารวจพอพระมาโอ้โเรียบร้อยสติเกิดชั่วขณะหนึ่งเมื่อเห็นพระเห็นป้าเหลืองค <c oughs> บกัลยะามิตรเห็นประโยชน์ของการมีสติประโยชน์การมีสตินี่มีมากมายเมื่อสติเกิดจะนำปัญญามาใช้แก้ปัญหาชีวิตเมื่อขาดสติจิตมันจะเป็นทุกข์ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิจิตจะเป็นทุกข์ เห็นทุกเห็นโทษของการไม่มีสติเดินเตะอะไรกระเด็นโอ้นี่เราขาดสตินะเห็นทุกโทษเดินแล้วหกลม้มเนี่ยขาดสตินะพูดอะไรออกไปแล้วแก้ไขไม่ได้นี่ขาดสตินะเห็นทุกเห็นโทษของการขาดสติสติก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆเห็นประโยชน์ประโยชน์ของสติสติก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆมมองในแง่ดีสติก็จะเกิ是是ดกกแล้วที่สำคัญก็คือ ฝึกอาศัยความอดทนอดทนการอดทนเนี่ยทให้มีสมาธิอดทนกับอารมณ์ความอดทนเนี่ยมันเพิ่มพลังของจิตแล้วก็ไปตัดกำลังของอารมณ์เห็นตัดกำลังอารมณ์มาเพิ่มกำลังจิตฝึกความอดทนแล้วสตินั้นต้องรู้สึกบ่อย ขยันที่จะรู้อ๋อเบื่อก็รู้ว่าเบื่อฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งสงสัยก็รู้ว่าสงสัยหงุดหงิดเบื่อน่ายขี้เกียจก็รู้ฝึกรู้บ่อยๆเป็นการสอนจิตให้มันรู้ให้มันรู้ไม่ต้องให้ไปกับอารมณ์แล้วมันก็จะรู้ได้บ่อยๆความฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได้ใน ไ, ไม้ต้องหลายข้อ <Hey. S 1> เลือกเอาไปใช้ตามจริตของเราอย่างเนี้ยกาลังฟังเนี่ยทุกคนจิตไม่ค่อยฟุ้งหรอก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 บางต้องอาศัยเพื่อนอาศัยหมูอาศัยกัลยาณมิตรเขาทำกันเขาปฏิบัติกันเราจะมานอนได้อย่างไรใช่ไหมก็พราะอาศัยหมูเนี่ยเป็นครูสอนเราการเข้าคอร์สก็มีครูบาอาจารย์ให้คำแนะนำมีธรรมะให้ฟังมีระบบต่างๆให้เราอยู่ปฏิบัติคนชอบแบบนี้ก็ไปทำได้แต่บางคนไม่ชอบอยู่บ้านต้องซื่อสัตว์ซื้อตรงต่อตัวเอง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 ไอ้ผมมันเดินไม่ได้ก็ต้องนอนอยู่กับความง่วงอาศัยเราอดทนซื่อสตัตย์ตัวเองถ้าไม่ทําแล้วก็ต้อเป็นทุกข์ไปจนตายถ้าทำเนี่ยมีโอกาสออกจากความทุกข์ได้มันมีเดิมพันเห็น <c oughs> ไหมชัว <c oughs> ว่าเราจะซื่อสัตย์ตัวเองแค่ไหน <c oughs> ถ้าคิดว่าจิตใจเราไม่เข้มแข็งพออ่ะไปเขาคอสอาศัยรูปแบบอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยเพื่อนอาศัยหมู่อย่างไงดีดีทั้งคู่ คืออยู่กับตดทิ์ของเราชอบแบบไหนใยดีนะลองทั้งสองอย่างก็ดีนะบางทีกิเลสมันชอบอยู่บ้านบางทีกิเลสไม่ชอบไปปฏิบัตินะต้องลองทั้งคู่แล้วเปรียบเทียบดูอันไหนจิตมันพัฒนามากันนั่นแหละค่ะก็เป็นคำตอบที่แต่ละคนจะต้องหาคำตอบให้ตัวเองนะคะว่าจริตของเราเนี่ยไปทางไหนจะปฏิบัติด้วยตัวเองที่บ้าน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 เพราะว่าหลังจากงานต้องไปกินเหล้ากลัวผิดศีลห้าทำไมไม่รับไปก่อนขนาดรับเนี่ยเรามีศีลห้าครบเลยนะถูกไหมแต่ลงจากเรือนไปแล้วเนี่ยอาจจะเหลือสี่ก็ได้อย่างน้อยเราก็มีเหลือสีอ่หายไปข้อมีศีลให้ผิดดีกว่าไม่มีศีลเลยจึงเหลือศีลอยู่ต้องสี่ข้อเพราะนั้นชีวิตเราเนี่ยบุญเราก็ทาไปเถอะบาปมันก็ต้องมี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 สติเนี่ยมันทำให้เกิดปัญญารู้จักปล่อยวางทั้งบุญทั้งบาปจิตหลุดพ้นไปเลยบาป ท, ที่มีอยู่ส่งผลไม่ได้บุญที่มีอยู่ก็ส่งผลไม่ได้มันพ้นไปแล้วจากบุญจากบาปด้วยการสติแล้วเกิดปัญญาอยากพ้นไหมพ้นจากบุญทั้งบาปรือยังเสียจไดบุญอยู่ถ้าอยากเสด็จได้บุญก็ทำบุญไปมากๆจนกว่าจะพ้นบุญคําถามสุดท้ายแล้วนะคะ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 เห็นชี้ท e ุกโทษของการขาดสติให้เด็กรู mean ้แล้วเด็กเรียนเก่งโอนี่เพราะลูกมีสติลูกเวลาครูสอนเธอตั้งใจฟังติดเธอไม่เลื่อนลอยเธอจึงจำคำสอนครูและทาข้อสอบได้ชี้ส่วนที่เป็นประโยชน์ให้